วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2533นับเป็นครั้งแรกของการบรรยายความรู้ภาคปริยัติธรรมในหัวข้อเรื่องประวัติการบรรลุ ธ, ธรรมของพระยาสาวกโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ประธานโครงการและท่านสาธุชนผู้ใครธรรมะปฏิบัติทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ในมุมหนึ่งก็เหมือนมาเล่านิทานให้ฟังนะฮะหรือเป็นการเล่านิทานที่เป็นเรื่องประวัติของพระอริยาสาวกที่ล้วนแต่เป็นพระอริยาสาวกทั้งนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ทั้งที่เป็นพระทังกายภาพ คือหมายถึงโกนหัวนุ่งห่มพเหลืองแล้วก็พระทางจิตภาพคือไม่ได้โกนหัวนุ่งห่มพเหลืองก็คือผมดำๆแล้วก็ยังสวมเสื้อผ้าหลายหลากรูปแบบอย่างเราๆท่านๆนี่แหละครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นบุคคลในยุคพุทธกาลเกือบทั้งหมดก็จะมีบางองค์ที่มีอายุเลยหลังมาถึงเมื่อพระพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วอยู่หลายรูป มาจนถึงสมัยพระเจ้ า, าโศกแล้วก็อาจจะเก็บเรื่องพระอระหันต์พระโสดาบันหรืออริยบุคคลในสมัยหลังๆทั้งในประเทศลังกาในรูปหนตาตกรถาและในที่อื่นๆเท่าที่จะเก็บรวบรวมได้แต่ว่าจะใช้สมัยพุทกาลเป็นหลักมาเล่าสู่กันฟังแต่การเล่านั้นจะไม่ใช่เป็นการเล่าในลักษณะเหมือนเหมือนเล่าชีวะประวัติพุทธสาวก นะคือเล่าให้รู้ประวัติทางกายภาพอย่างเดียวซึ่งผมยังรู้สึกว่าสําหรับที่นี้แล้วเล่าแค่นี้คงจะยังไม่เพียงพอเราคงจะอยากจะรู้อะไรที่มีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ในนั้นด้วยก็เราก็จะมาพิเคราะห์ในรายละเอียดถึงสิ่งเหล่านั้นที่ผมอยากรู้แล้วผมรู้มาบ้างแล้วแล้วคิดก็คิดว่าตาทั้งหลายก็อยากรู้แล้วก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องนี้จึงว่า เขียนจะเป็นเรื่องง่ายนะฮะเป็นเรื่องง่ายไม่ยากเป็นหลักวิชาการละเอียดยิบจนจนน่าอึดอัดเกินไปนักสําหรับบางท่านและผลจากการที่เราศึกษาเรื่องพวกนี้อจากการที่ผมมองตัวผมเองเนี่ยประการที่หนึ่งที่เราได้ก็คือได้พลังศรัทธาคำว่าพลังศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสถามว่าเชื่อเลื่อมใสในอะไรตอบว่าเชื่อเลื่อมใสในบุคคลกับในธรรม ในบุคคลก็คือในบุคคลเจ้าของประวัติที่เราพูดถึงเราจะเกิดความเลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสในอาจารย์ของบุคคลนั้นด้วยบางคนก็ได้อาจารย์เป็นพระบุตรเจ้าบางคนก็ได้อาจารย์เป็นลูกศิษย์ของพระบุตรเจ้าแล้วแต่ว่าจะเป็นเวไนยของใครนะอันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดมาบอกว่าใครคนไหนเป็นเวไนยของใครบรรลุธรรมจากไกลโดยไกลบางทีก็จากคนหนึ่งไปถูงคนหนึ่งก็มีบางคนก็อยู่ที่คนเดียวก็มี บางคนก็ในสมัยพุทธกาลเกิดเจอพระพุทธเจ้าเกิดเจอพระษาวกเป็นพึ่งเป็นผูงกับบุคคลรุ่นเดียวกั น, <ๆ> ก, นก็เป็นอรหันต์กันไปมากแล้วตัวเองไม่ได้บรรลุอะไรเลยแถมยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อีกจนเพื่อนปริณีพานไปพุทธเจา้าปริณีพานไปแล้วตัวก็หลุดรอดจะเรียกว่าปากเหี่ยวปากกาคงไม่ถูกอะปากอะไรที่มันดีกว่าปากเหี่ยวปากกาเป็นปากมงคลมาจนกระทั่ง ล่วงเลยสมัยพุทธกาลผ่านมาก็ไปพบบุคคลที่เป็นเวไนของตนตนเป็นเวไนของเขาอะนะฮะไปเกิดที่ลังกาแล้วก็ได้บรรลุธรรมกับคนคนนั้นเบุคคลที่ผมว่าหลุดลอดปากเอี่ยวปากากามาได้เนี่ยก็คือสัจจกะนิกร น, นี่เป็นคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะทําให้ให้มานับถือศาสนาพุทธได้ได้แต่นับถือความสามารถของคนแต่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา ไม่ต้องพูดถึงการได้บรรลุทาอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นจริงเหล่านี้นก็เป็นแง่มุมครับเวลาเราศึกษาเราก็จะ เ, เราศรัทธาเนี่ยศรัทธาหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้กําลังใจต่อสู้ถามว่าสู้อะไรก็คือสู้กับการปฏิบัติธรรมสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเรียกว่าเห็นเคล็ดเห็นเคลดของอุปสรรค แล้วก็จะมองอุปสรรคออกว่าเราปฏิบัติทำหรือใครคนอื่นก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราทําตัวเป็นกายานมิตรของคนอื่นเราก็มองอุปสรรคก็ว่าคนนี้มีอุปสรรคขัดขวางทําให้เข้าวัดไม่ได้เข้าวัดได้แต่ว่าเจริญในธรรมไม่ได้เจริญในธรรมไม่ได้ในเวลานี้ อ, อจะเจริญในธรรมได้ในเวลาต่อไปยังไงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคนะฮะอุปสรรคที่ว่าก็อุปสรรคเกิดจากกรรมเกิดจากกิเลส ข, ของตัวเองอะ มันจะเข้ามาเป็นอุปสรรคนะฮะดีก็เป็นอุปสรรคชั่วก็เป็นอุปสรรคในประวัติของพระเหล่านี้ท่านมีอยู่หมดนะนะนั้นเราก็จะได้กำลังใจก็แปล ว, ว่าเราเกิดศรัทธาศรัทธาที่สำคัญที่เกี่ยวกับเราก็คือศรัทธาในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนและศรัทธาที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เราได้มีโอกาสเดินรอยตามท่านก็คือศรัทธาในการประพฤติ ธ, ธรรม มีกําลังใจในการที่จะประพฤติรมและประทานในส่วนนั้นด้วยนี่เป็นเป็นเรื่องหนึ่งและเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนั้นหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราคือเราประพฤติทมเนี่ยนะแม้สมัยพุทธกาลก็เหมือนกันถ้าก็จะอยู่ในสองฐานะฐานะหนึ่งในฐานะเป็น อีฐานหน้าหนึ่งในฐานห น, น้าเป็นอาจารย์เป็นศิษย์ฐานหน้าเป็นศิษย์คือผู้สแสวงหาธรรมจะต้องสแสวงหาธรรมจากผู้ที่ก็รู้ดีกว่าทีนี้เวลาเราจะสแสวงหาอาจารย์เนี่ยนะบางทีเราก็ไม่ได้หามางอยู่ที่เรียกว่าไอ้บุญบา ร, รมีหรือโชคชะตาจะพาไปไปเจอใครก็ช่วยเอาทีนี้ถ้าสมมุติเราเรามีบุญดีเราก็ช่วยได้ดีมีบุญไม่ดีก็ช่วยได้ไม่ดี หรือว่ามีบุญดีบางส่วนไม่ดีบางส่วนก็ช่วยผีช่วยถูกกันไปเรื่อยๆนะเดียนี้มันมีอันหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าการแสวงหาอาจารย์แบบแต่เราจะเรียกว่าแผ่เมตตาหาอาจารย์แผ่เมตตาหาอาจารย์หรือแผ่จิตหรือแผ่บารมีแผ่ธรรมหาอาจารย์อาจารย์มันก็มีวิธีการที่จะแผ่ว่าใครที่เป็นอาจารย์ของเราเราเป็นเวรในของเขาเนี่ย เขาอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอยู่แล้วแต่นะขอให้ได้พบกันและได้รับธรรมจากเขานะอันนี้ก็หมายความว่าเราก็สงวนว่าให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ที่ดีที่ถูกต้องเพราะนั้นไอ้ฟิ่งเหล่าเนี่ยครับก็จะทําให้เราเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพาตัวเองไปสู่ธรรม เบื้องสูงได้ได้ตัวเราเองไปเฟทสทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเราก็รักษาตัวเองเพื่อไปสู่อาจารย์ที่ดีไปสู่ข้อมูลที่ดีไปสู่สำนักที่ดีนะฮะจะเราไปหาเจอเข้าหรือท่านขวนขวายมาหมาเจอหรือมาเจอกันคนละครึ่งทางไอ้คําว่าคนละครึ่งทางเนี่ยไม่ใช่คำนวนพูดสัพทแต่ว่าพูดมีครึ่งทางจริงๆและแม้พระพุทธเจ้าเองได้ไปโปรดคนให้เป็นพระริยะบางทีก็เจอกันคนละครึ่งทาง คือว่าเวไนามาครึ่งหนึ่งรู้ที่เจ้าเสด็จไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันเนี่ยไปเจอที่โรงปั้นช่างหมออย่างภาพปุกุสาติเป็นต้นอย่างงี้นะบางทีก็บุกเข้าไปตามไปถึงไหนถึงกันก็มีอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขเหตุปัจจัยของเวไนยบุคคลแต่ละคนแต่ละคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งเหมือน เพราะนั้นการที่เราได้เข้าใจเรื่องของท่านมันก็จะน้อมกลับเข้ามาหาเราอันนี้เป็นหลักธรรมดาอะไรทั้งหลายในโลกเนี่ยมองแล้วมันมันย้อนกลับมาหาเราทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองการศึกษาเรื่องประวัติบุคคลจึงเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมเหมือนกันหมดและเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นหลักการเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ไอ้ข้อถกเถียงต่างๆหรือความเข้าใจไม่ได้หรือความลังเลต่างๆในเหตุผลทางหลักการนะคือหมายถึงตัวหลักการหรือวิธีการเช่นเขาบอกว่าวิธีการทำอย่างนี้น่ะผิดวิธีการอย่างนี้นะ่ะผิดถ้าเราได้ศึกษาประวัติแล้วเรารู้เลยว่าไอ้ที่พูดพูดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ผิดอะมันถูกก็มีผิดก็มีเป็นเรื่องที่ปะปนกัน ยกตัวยอย่างเช่นพระบางองค์อาจจะไม่พูดเลยอธิษฐานไม่พูดสามภาษาเงนี้นะก็จะบอกว่าหิดก็ไม่ได้เพราะว่าเอาองค์นั้นท่านอธิษฐานไม่พูดและท่านได้บรรลุธรรมเมื่อท่านเผลอบอกว่าสามภาษานี่มีเผลอพูดในภษาษาที่สองยู่คําเดียวมีปลาองค์หนึ่งโยมเขาอพระองค์นี้ชื่อว่าพระท่านคังคาอติระแปลว่า พระผู้อาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาถือเขาเรียกว่าถือการประพฤติเศร้าหมองใช้บาทดินที่เลือกบาทมีลักษณะเดียวกับขันที่ศัพเปเลอร์เขาตักน้ำนมลาดศพอันนี้เป็นธรรมเนียมอ่ะขันตักน้ำลาดศพเลี้ยวขันตักน้ำาดศพแล้วก็นุ่งห่มทีวรสีปอ น, ปอน และกุฏิที่ท่านอยู่เนี่ยท่านคือพูดงไงว่ากรดของท่านเนี่ยไม่ได้กรดสั่งซื้อตามท้องตลาดเป็นกรดที่มุงขึ้นด้วยใบตาลขนาดใหญ่หน่อยสามใบเอามาสุมกันแล้วก็อยู่อย่างนั้นโดยแล้วไม่พูดเกี่ยวข้องกับใครเลยปฏิบัติอย่างอุกฤษท่านมีอัตยาใสายมีอะไรต่างๆที่น่าอุรงท่านมาอย่างนั้นอันนี้ก็มีโยงคนหนึ่งก็เห็นท่านไม่พูดก็สงสัยว่าพระองค์นี้จะเป็นใบหรือเปล่า ก็อยากจะทดลองวันหนึ่งก็เอาน้ำนมไปจะไปถวายให้ท่านก็เตรียมทำท่าจะเทลงในบาทเสร็จแล้วก็แกล้งทำเป็นเทออกนอกบาทเสียงั้นแหละให้มันสอบหลกก็ดูซิว่าพระท่านจะมีปฏิกิยายอย่างไรพระเองท่านก็นึกว่าโยมมือเป็น อามาพลิกเอามาพาดเลยเทพลาดออกไปเขาบอกว่าเผลอบอกว่าใหเราวังตัวโยมเทพอแล้วอย่าไปเทลงข้างนอกคือบอกหยกดหยุดกล้ๆบอกให้หยุดหยุดกรขึ้นเทเดี๋ยวบริเวณนั้นแฉไม่ได้น้ํานมก็เผลอไปครั้งเดียวพอเผลอปลุกออกไปก็รู้ว่าเราเสียความตั้งใจของเราเสียแหละบัดนั้นบอกว่านั่นแหละหลังจากนั้นก็สมาทานอย่างเข้มงวดไม่พูดแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในปรญญาที่สาม ด้วยการกระทำอย่างนี้นนะฮะอ้าวหรือบางองค์ก็ถือวัดว่าเราจะคู่เข้าเหยียดออกเนี่ยเราจะต้องกําหนดสติตลอดเวลาถ้าเมื่อใดเราคู่ออกโดยไม่ได้กําหนดสติเราจะต้องคู้กลับใหม่แล้วเหยียดออกไปใหม่ถ้าเมื่อใดเราเดินก้าวไปแล้วเราเผลอสติเราจะต้องทักเข้าวกลับมาอยู่ที่เก่าใหม่นี่เป็นการตั้งเงื่อนไข อย่างจริงจังเพื่อทำให้เกิดสติอย่างอย่างรับผิดชอบเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้แล้วบางคนหละหลวมไม่รับผิดชอบไม่จริงจังกับการเจริญส ต, ติซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราพอไปทำได้และตรงตรงนี้นะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นหลักอันหนึ่งเหมือนกันที่เราอ่านตำราตำราทางโลก เราเราฝรังเนี่ยเขาก็พูดการตั้งเงินไถลักษณะอย่างนี้มัแต่ไม่ใช่ เ, เรื่องธรรมะนะแต่ว่าธรรมะเนี่ยเอามาตั้งได้เป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวางมาตรการลงโทษตัวเองถ้าไม่ประพฤติให้เหมาะสมถูกต้องในสิ่งที่ตัวเองควรจะทําหรือตั้งใจจะทําไม่ได้ออันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งนะที่ผมจะชี้ให้เห็นซึ่งการชี้สิ่งเหล่านี้นะถ้า เป็นเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยอยู่ก่อนก็อาจจะฟังดูไม่เป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจอะไรแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการได้พบปัญหาข้อกัดข้องข้อถกเถียงเรื่องต่างๆเหล่านี้มามากแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความสว่างและแน่ชัดขึ้นเพราะฉะไในเรื่องเดียวกันในบางทีมันทั้งผิดก็ได้ทั้งถูกก็ได้บางทีพฤติกรรมเดียวกันพลาดสององค์องค์หนึ่งทําแล้วเป็นผิดองค์หนึ่งทําเป็นถูกเพราะว่ามีบทอธิบายเงื่อนไขอ่า ทางเหตุปัจจัยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอามากล่าวถึงเนี่ยมันจะมีประเด็นสําคัญที่ควรจะตั้งเป็นหลักใหญ่เป็นจุดสังเกตและอธิบายออกไปรายละเอียดเนี่ยมีทั้งหมดห้าประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องบุพภาธิการบุพการิการหมายถึงการสั่งสมอบรมของบุคคลอย่างที่เราพูดกันบ่อย คนที่เข้าใจเรื่องนี้เชื่อเรื่องนี้ครูบาอาจารย์หลายก็พูดกันบ่อยว่าแต่ละคนนั้นมีบุพการมีการสั่งสมอบรมมาแตกต่างกันถามว่าสิ่งสังสมอบรมมีอะไรบ้างเป็นส่วนหลักๆอันนี้นะเราพูดอย่างหนึ่งฮรว่าคนจะบรรลุธรรมเนี่ยมันมีหลักแน่ๆอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่มาเริ่ม กันในชาตินี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันว่าชาตินี้เพิ่งลงมือทำทีนี้พอพูดอย่างนี้เข้าบางคนก็บอกว่าแหมอย่างนั้นชันก็ก็หมดหวังชั้นก็หมดกำลังใจแย่มจะต้องสาวไปถึงการสังสมบา ร, รมีต้องสร้างบา ร, รมีกันตั้งมากมายไก่กองเดี๋ยวพอจะพูดว่ามากแค่ไหนยังไงนะฮะมีตัวเลขบอกวพอทุกคนก็หมดกาลังใจเลย ถ้าคืนทำก็แบบคงจะไม่ได้บรรลุเพราะถ้ามีคนปลาลบอย่างนี้ผมก็บอกว่าความจริงเราก็เกิดกันมาหลายชาติเราอาจจะสร้างสงมมาหลายชาติแล้วก็ได้เราจะไปรู้ได้ไงไม่ใช่ว่าเพิ่งจะสร้างเพิ่งจะเริ่มต้นกันในชาตินี้วันนี้เราสั้งสมมาหลายชาติแล้วเราไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้ไม่รู้อย่างนี้ไม่ใช่รุ่นเราไม่รู้นะฮะถึงในสมัยพุทธกาลคนที่ได้บรรลุเป็นปลาละหาันก็ไม่ใช่ว่าเขารู้มาก่อน ว่าเขาเนี่ยสั่งสมบรารมีมาจะต้องบรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าองค์นี้แน่อยากกันนั้นเลยเราจะต้องรีบบูตซะโดยไว ห, หรือจะต้องไปพบพระพุทธเจ้าซะโดยไวก็ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมใช่ถามว่ามีใครรู้บ้างว่าเกาะนี้พูดถึงก่อนบรรลุนะว่าเราได้สั่งสมบรารมีจะได้บรรลุเป็นนั่นเป็นนี่จะได้รับการศาสนาแต่งตั้งให้เป็นเอตทัคคะด้านนั้นด้านนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนเหมือนกันเรา นะะเพราะนั้นอันนี้ก็พูดปลอบใจกันเพื่อไม่ให้เสียกําลังใจว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเร า, เาก็ได้สั่งสมมาทีนี้ไอ้สิ่งสั่งสมเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนใหญ่หรือว่าเป็นสามส่วนก็ได้ส่วนหนึ่งก็คือส่วนแห่งกุศ ล, ลกรรมกุศ ล, ลกรรมคือบุญกุศลที่ได้กระทาอันนี้หมายถึงสิ่งที่จะเป็นตัวผลักดันทาให้บุคคล น, นั้นได้บรรลุธรรม ได้ใช้ประโยชน์จากบุญที่ได้ทํานั้นในเชิงอธิษฐานในเชิงอิงอาศัยเป็นเป็นสเบียงเลี้ยงตนเองหรือเป็นสเบียงในการที่จะทําให้ตัวเองได้บรรลุธรรมถึงพร้อมด้วยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่สองก็คือส่วนแห่งอุปนิสัยอุปนิสัยเนี่ยความจริงก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะฮะทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่การบรรลุโดยตรงเนี่ยครูอุปนิสัยข้างหี อุปนิสัยข้างดีอ น, นั้นเป็นประโยชน์โดยตรงกรรมก็เหมือนกันกุศลนี่เป็นเป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้บุคคลบรร ล, ลุธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็ทำทั้งบุญทั้งบาปบุญก็ทำบาปก็ทำเพราะนั้นก็ติดตัวมาเข้ามาทำให้เกิดความแตกต่างคือความสุขความทุกข์ความล้มเหลวความสำเร็จด้วยประการต่าง ในชีวิตของพระอริยะบุคคลแต่ละองค์แต่ละองค์หรือโยมแต่ละคนแต่ละคนที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่เป็นเป็นสิ่งที่มาจากของเดิมซึ่งมังองก็ไม่ได้เล่าไว้มังองก็เล่าแต่ว่าส่วนมากเล่านะฮะทีนี้อ่าอีกส่วนหนึ่งก็หมายถึงความซ่องเศษในพระกรรมฐานที่เป็นหนทางบรรลุสิ่งที่เรา ส้างเสรเอาไว้ว่าเราได้เคยทํากรรมฐานแบบใดอย่างไรอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญจะเป็นความถนัดจัดเจนที่บางทีนะ่ะเวลาจะทําให้บุคคลก้าวขึ้นมาสู่การปฏิบัติธรรมในส่วนนี้ในส่วนที่เรียกว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของส่องเสร็จหรือไม่ใช่ของเสร็จคุ้นมาก ก็ท่านจะให้ทําในส่วนที่ตัวเองได้เคยส่องเสพก่อนเช่นเคยส่องเสพเรื่องอสุภากรรมาฐานก็ให้ทําอสุภาก่อนแล้วถึงมารับอีกอันหนึ่งได้เคยจเจริญเมตตาให้ทําเมตาก่อนเคยทําเตโจกสินให้ทําเตโจกสินก่อนแล้วก็ถึงมาต่อเรื่องเรื่องอื่นเรื่องอื่นหมายถึงเป็นเรื่องที่ไม่เสพคุณเพราะกรรมาฐานเนี่ยมันมันต่อกันได้แต่ว่าไอ้ในชีวิตปัจจุบันของอริยะแต่ละองค์เนี่ย มันเริ่มจากไม่ได้ทำอะไรเลยในชาตินั้นนะแต่ว่าชาติก่อนมีมาแล้วตัวไม่รู้ก็มาทำจากของใกล้ๆแล้วถึงมาต่อเพราะนั้นอย่างกรณีของอานางอุบลวรรณนาเทรีก็ดีนี่ก็ทำเตโชกสินเป็นเบื้องต้นแล้วก็มาต่อวิปัสสนาต่อมรรคต่อผลอพระจุลปันถกทำกายคตาสติ เอาผ้าเคยคุณเคยกับอาสุภาพ์กรรมฐานกายยกระตัสสี่มาก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานผ้าให้ขยี้เสร็จแล้วก็ต่อวิปัสสนากรรมฐานก็บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ากรรมฐานที่บุคคลทำอันใดอันหนึ่งไว้เนี่ยมันเป็นทุนทําแล้วมันก็อยู่ในสันดานของเราเราก็าเอามาเริ่ม หรือครูบาอาจารย์ที่เขรู้ขาก็ให้เราเริ่มแล้วก็มาต่อต่อเรื่องที่เราไม่คุนต่อเรื่องที่เราไม่เคยเพราะว่าโสดาปฏิมาคเนือเราก็ไม่เคยบรรลุมาก่อนอาริยะบุคคลอะไรเราก็ไม่เคยบรรลุมาก่อนเราก็ได้มาบรรลุได้ทุกคนก็ไม่เคยบรรลุก่อนดังนั้ น, น, นก็อาศัยสิ่งอื่นที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องหนุนนำก็าม า, เ, าเลยจะอธิบายซะเลยว่า ในเรื่องบุาธิการของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกับส่วนต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปโดยกว้างๆจากประวัติของพระอริยบุคคลส่วนเหมือนเนี่ยคืออะไรนี่หมายว่าส่วนเหมือนเนี่ยแปลว่าบุพการพวกนี้ทุกๆคนเนี่ยจะต้อง ต้องผ่านผู้งานต้องผ่านต้องทําไม่ผ่านไม่ทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องเป็นบาระแล้วนะคือต้องได้พบพระพุทธหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกและต้องได้ทําบุญกับท่านเหล่านี้ต้องได้ทําบุญได้พบได้ทําบุญกับท่านเหล่านี้แล้วก็ต้องอธิษฐานต้องมีการอาธิษฐาน อันนี้ก็เป็นเครื่องบอกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยอธิษฐานเอามกเอาผลเลยไม่เคยตั้งเจตนาที่จะไปจุดหมายปลายทางนั้นเลยเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีทางจะบรรลุได้ถ้ายังไม่เคยอธิษฐานนะและคนที่เขาบรรลุได้เนี่ยเพราะเขาอธิษฐานไว้นี่จะอธิษฐานเอาแค่ไหนนี่อีกเรื่องนี่เป็นเรื่องความต่างแล้วว่าอธิษฐานบางคนอธิษฐานเอาเป็น บรรลุถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษมากแค่นี้บางคนก็ขอเป็นแค่ปกติสาวกบางคนก็ขอเป็นอัศริติมหาสาวกชันนั้นชั้นนี้อันนี้เป็นข้อแตกต่างแต่ในข้อแตกต่างเหล่านั้นอยู่ในความเหมือนที่ว่าอธิษฐานเอามักเอาผลเหมือนกันจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องอธิษฐานเอามักเอาผลแล้วมีคุณสมบัติเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นไม่อธิษฐานไม่ได้นี่เป็นข้อบังคับอย่างหนึ่งและ ต้องมีระยะเวลาพอสมควรสมมุติว่าเราจะมาเริ่มต้นกันว่าพบพระพุทธเจ้าในชาตินี้ชาติก่อนเนี่ยไม่เคยเลยนี่สมมตินะไม่เคยทำอะไรไว้เลยอย่างที่ว่ามานี่พบพระพุทธเจ้าในชาตินี้ทำบุญในชาตินี้อธิษฐานในชาตินี้แล้วขอเป็นอสิติมหาสาวก ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ไหมไม่ได้ตำแหน่งทั้งหลายเขาจองกันไว้หมดแล้วจองกันไว้ดึกลาบันแล้วไม่ใช่เพกกิ่งจะมาทํากันเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ทันด้วยเหตุนั้นไอ้ข้อความตรงนี้นะ่ะ<ม>ก็เหมือนกันแล้วก็มีคนเคยบ่วนว่าโอ้โหเห็นตัวเลขแล้กวก็ทอ้ออันนี้ผมจะลำดับให้ดูนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา นับแต่อธิษฐานนะไอ้บุญเนี่ยอริยะสาวกผมอ่านอ่านดูแลเนี่ยบางองค์ทำบุญมาไกลแต่ว่าเพิ่งมาอธิษฐานตอนหลังท่านนับอธิษฐานตอนนั้นเป็นเป็นเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นที่เข้าคุณสม บ, บัตินี้พระพุทธเจ้านะสร้างบา ร, รมีที่เริ่มแต่การอธิษฐานสี่อาสงไขกระแสนกับ ผมไม่อธิบายว่ามันอะไรยังไงนะฟังดูว่ามีเยอะเพราะมันไม่มากนักจะได้ไม่ไม่หวาดเสียวสะพึงกลัวอะไรมากนักและถ้าเป็นปัจเจกใช้เวลาสองอสงไข่นี่ประเมินจากที่ท่านระลึกชาติย้อนกลับไปได้และเป็นอสีติมหาสาวกอย่างพระสาริบุตรโมคคลานะเนี่ย ท่านเริ่มอธิษฐานครั้งแรกพร้อมกันเลยนะพร้อม ก, กันกับระหว่างภาษาลิบุกมะโมกาลานะตอนนั้นท่านเกิดเป็นดาบทแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าอาโนโมาทศีถอยหลังจากนี้ไปหนึ่งอาสงไขกับแสนกับนั่นและคือจุดตั้งต้นอธิษฐานว่าขอ ให้ขบจ้าได้บรรลุเป็นพระอราหันต์และได้รับการแต่งตั้งไว้ในฐานะเป็นอัคคะสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานั้นสององค์นี้ท่านเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่จนกระทั่งมาถึงบรรลุชาติสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันนี่เป็นอราหันต์ชั้นอัคคะสาวกทีนี้ถ้าเป็นอราหันต์ชั้นอสีติมหาสาวก ให้เวลาทำบารมีอธิษฐานแสนกับแสนกับก็ทำสั่งสมไปเรื่อยก็ถ้าพูดอย่างนี้น่ะพวกท่านเหล่านี้ท่านบอกเหมือนพรุ่งนี้ใจท่านเย็นสนิทนี่แปลว่าจิตท่านปร่งจิตท่านปลอดจากไอ้ความร้อนใจความกำหนัดความโลภจัดไอ้เราน่ร้อยปีเหมือนร้อยกับเพราะเรามัน ไอ้รุ่นเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกำนังเต็มไปด้วยความอยากมันเหมือนคนอยากจะถูกหวยร้อยเบอร์มันใจเย็นไม่พอที่ไปสั่งสมเก็บเงินหย่อยกระปุกเดือนละเท่านั้นตอนนี้มันโลบจัดไปเพราะนั้นสำหรับคนที่เป็นนักเลงสร้างบารามีเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเป็นของจะต้องไปรีบเล่งนะคือมันใจเย็นสบายแล้วทําสั่งสมไปอยู่นานก็ได้ทําความดี นะบรรลุก็ดีเหมือนพระหลานบรรลุแล้วอายุยืนก็ดีอายุสั้นก็ดีดีทั้งคู่ไม่มีอะไรไม่ดีใจเย็นอย่างนี้เหมือนกับคนที่เรียนธรรมะ ก, กันมานานเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่อีกกี่ปีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นพวกมือใหม่ๆก็เดือนเดียวจะเอาให้รู้ว่าใจบิดดกทั้งสี่สบ้าเล่มเลยใจร้อนขนาดนั้น เราก็เคยร้อนอย่างนี้มาก่อนแต่พอได้รู้ได้เข้าใจแล้วใจก็เย็นเพราะไอ้ที่มันเย็นลงได้เพราะว่ากิเลสความทยานอยากเราผ่อนเปล่าไปแล้วก็กุศลจิตเราเจริญกล้าขึ้นแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นปกติก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ต้องแบกซ่องหามไม่เหมือนไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียอะไรเหมือนอย่างที่ใหม่ๆเรารู้สึกลงเงินข้ามกันทีนี้ถ้าเป็น ปกติสาวกปกติสาวกเนี่ยหมายถึงเป็นอริยาสาวกที่ไม่ได้มีตำแหน่งพิเศษอะไรเอาเป็นว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระอรหันต์ปุงง่ายว่าเหมือนเป็นเป็นราชดอนสาวกเป็นอริยราชดอนไม่ใช่อริยรัฐมนตรีนักการเมืองใช้เวลาสร้างบารมีอธิษฐานเนี่ย ประมาณพันกับก็ยังชั่วหน่อยนะพันกับก็อยากรู้ว่าไม่ว่ากลับนานแค่ไหนกลับนี่ท่านนับโดยประมาณกลับหนึ่งก็อายุโลกใบหนึ่งอายุโลกใบหนึ่งกลับหนึ่งโลกแล้วก็แตกไปก็สร้างบารมีไปเรื่อยเพราะไออายุโลกหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สร้างบารมีเต็มที่ทั้งอายุโลกหรอกครับมันมีไข้อจํากัดอะไรบางอย่าง ในรายละเอียดเขาบอกไว้เราได้ประโยชน์ในการทําบุญกุศลบางเสี้ยวบางส่วนของอายุโลกเท่านั้นเองมันก็เหมือนชีวิตเราอ่ะไอ บ, บางส่วนของชีวิตเราก็ไม่ได้ประโยชน์ที่จะมาทําบุญทํากุศลทําอะไรได้มันก็เสียไปกับเรื่องอื่นอายุมากไปดีก็ไม่ได้ประโยชน์ก็สูญเสียไปกับเรื่องอื่นดเงื่อนไขแตกต่างกันเพราะฉะนั้นะช่วงที่เป็นประโยชน์ก็มีเป็นบางท่วงเท่านั้นนี่เป็นเรื่อง บุพภาธิการในส่วนเหมือนนะในส่วนที่เรียกว่าเหมือนที่จะต้องสั่งสมเอาไว้ที่นี้ส่วนต่างเนี่ยเราก็ได้พบชีวิตที่หลายหลักว่าส่วนต่างถ้ามีเยอะเหลือเกินเช่นส่วนต่างคื อ, อคุณวิเศษคุณพิเศษจากการที่บรรลุเป็นพระอริยได้รับตําแหน่งต่างๆกันหถือเป็นส่วนต่าง ส่วนต่างส่วนนี้นะไม่ใช่อริยคุณเป็นตัวต่างแต่เป็นองค์ประกอบของอริยคุณหรือญาณบริพันธ์ความสามารถพิเศษนะเราจะพูดภาษาง่ายๆความสามารถพิเศษภาษาพระเรียกว่าญาณบริพันธ์ซึ่งหมายถึงาญาณประกอบไอญาณหลักก็คืออริยญาณโสดาบดิมัคญาณถึงอัตตะมัคญาณ น, นี่นะเรียกว่าญาณหลักญาณประกอบก็เช่นตาทีป่ปูที่บางคนก็มีลิศบางคนไม่มีลิศ ก็มีความสามารถทางยานแตกต่างกันอันนี้ก็อยู่ที่การสั่งสมความปรารถนาความต้องการของแต่ละคนว่าใครสั่งสมมาอย่างไรต้องการอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหรือความได้วิบากพิเศษได้วิบากพิเศษคำว่าวิบากพิเศษเนี่ยหมายถึงวิบากกรรมพิเศษอย่างเช่นพระภ ก, กุละเป็นต้นชีวิตน่าสนใจมากบทเราจะ เล่ารายละเอียดให้ฟังพระภคุลละนี่มีความอัศจรรย์ในทางวิบากโรคภัยไข้เจ็บไม่มียาไม่เคยกินเลยแม่สมหมอแม่แต่ยาอมไม่เคยอมท่านใช้คําว่าสมหมอไม่ไม่เคยอมกับแล้วไม่เคยไอไอก็ไม่เคยไอายอายุก็ยืนถึงร้อยยี่สิบปีนี่เป็นความความสามารถพิเศษของท่านเป็นวิบากพิเศษของท่าน ที่ท่านได้ทำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเล่าอยู่ในชีวิตประวัติท่านชัดเจนเลยเจนี้ในอีกส่วนก็คืออุปนิสัยดีชั่วเนี่ยครับเพราะว่าคนที่เป็นพระอริยะเนี่ยเมื่อยังไม่ได้เป็นพระอริยงก็แน่ได้สังสมความดีความชั่วไว้ได้วยกันทุกคนนะฮะ แล้วก็ความดีความชั่วในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแล้วก็มีต่างๆม า, าองค์ก็ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่ออย่างเช่นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งก่อนเป็นอาหารหันต์มีนิสัยตะกะจักกะกินเก่งมารยาทนี่ไม่ระวังเลยครับจะนั่งนอนจะถม่มจะถุยเชื่อไหมครับว่าตัวเองนะ่ะหัวฉลาดแต่เสียไอย้เรื่องนี้ เรื่องตะ ก, กละเรื่องอาจารละหน้ารังเกียจเป็นที่น่าอับอายแก่คนที่เป็นญาติพี่น้องลูกศิษย์ทุกอาแต่ว่าปัญญาดีก็เรียนวิชาสมัยก่อนะที่ในอินเดียเขาเรียนเรียนจนกระทั่งจบแล้วก็ออกมาสอนวิชาแก่ลูกศิษย์สมัยก่อนในเวลาเขาเรียนเขาก็เรียนแล้วอยู่เป็นหมู่เป็นคณะไม่ใช่พอเลิกเรียนแล้วบ้านกายบ้านมันอย่างเดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมครับ วิชาดีแต่ลูกศิษย์ไม่อาจที่จะทนรับความรู้ต้องทิ้งอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ทิ้งลูกศิษย์นะลูกศิษย์ทิ้งอาจารย์ด้วยข้อหาว่าอาจารย์ตกะกระอาจารย์ไม่มีมารยาทจะพูดจะจาไม่มีมารยาทเลยสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ท่านสั่งสมมาจากปางก่อนเคยเกิดเป็นอะไรแต่อะไมันก็ติดตัวมานะทีนี้ ตอนหลังเอามาบวชที่มาบวชเนี่ยสาเหตุที่มาบวชก็ไม่ใช่ดีไม่ใช่เพราะศรัทธาเพราะอะไรรู้หมเห็นว่าเอพระท่านกินดีอยู่ดีบวชเพราะตะกร้ก็เลยมาบวชเพื่อจะได้กินดีอยู่ดีบวชเสร็จแล้วก็ตั้งนาต่างตากินก็ดีว่าท่านสั่งสมบารมีมา รู้ใจเจ้าก็สงเคราะห์อะไรเป็นปลาหลาดเลยชื่อท่านนะขนาดมาบวชแล้วชื่อท่านยังถูกเรียกแต่มันจะแปลก็ควรจะต้องแปละว่าตากระนั่นแหละแต่ภาษาบาลีเป็นไงใช้คําว่าปินโทละภาระทวาชะแปลว่าผู้มีภาระด้วยก้อนข้าวผู้มีภาระด้วยก้อนข้าวคือผู้มีภาระเรื่องเรื่องการกินถือเอาเรื่องการกินเป็นบาลละ ไปไหนมาไหนก็ห่วงกินไปที่ไหนแล้วไม่มีจะไม่มีกินไม่มีกินให้อิ่มก็ไม่ไปห่วงประเภทนี้เลยเรียกชื่อท่านอย่างนั้นนะและอีกอิกองค์หนึ่งที่เคยพูดถึงบ่อยๆคือท่านปิรินทวัตชะเพราะเอ่ยชื่อหลายคนก็นึกออกว่าท่านปิรินทวัตชะนั้นเป็นพระอรหันแล้วยังอดเรียกพระเรียกใครทั้งหลายว่า คนถอยหรือไอ้ถอยไม่ได้จกนกระทั่งคนเขากลุดนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเคยเกิดเกิดเป็นคนในวัรณะปราห ม, มีมานะจัดดูตูกคนโดยการใช้คำพูดเยียดหยามเนี่ยติดเป็นนิสัยมาหลายภพหลายชาติไต่ก็บว่าห้าร้อยชาติเลยติดมาจนถึงชาตินี้นี่เป็นเรื่องที่สั่งสมเพราะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะ เราสั่งสมทั้งบุญทั้งบาปทั้งนิสัยดีนิสัยชั่วโดยอัตโนมัติติดติดตัวเรามาเหมือนอย่างที่เราพูดบอกเอาอย่างง่ายๆมาพูดถึงขั้นบรุ๊เอริยะอย่างคนเข้าวัดมักจะมีคนเขาเขาโจทย์แต่เราเข้าใจตรงนี้เราเข้าใจพวกเรากันเองเข้าใจตัวเราไม้แต่เข้าใจคนโจทย์เลยคนโจทย์คือไอ้ต่อไปวันก็นามันเข้าวัดมันก็เป็นอย่างที่มันโจทย์เขาและ ว, ว่าเข้าวัดแล้วทําไมยังอย่างนี้ เข้าวัดแล้วทาไมอย่างงี you. You it, it so so kind of र, ้ใช่ไม่ได้คุณไปเข้าวัดบางสิ่งแล้วคุณจะไม่เก็บดีไปหมดเลยเจยวเหรอคุณก็ก็ต้องเป็นอย่างคุณเป็นก็รอให้คนอื่นเขาโจทย์ต่อไปอีกว่าเข้าวัดแล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เฉะนั้นไอ้เข้าวัดเนี่ยวัดมันก็ขวาดล้างไอ้อะไรที่ขวาล้างออกได้ก่อนก็ขวาดล้างอะไรที่เหลือก็เหลือนะไอ้ที่เหลือเนี่ยใครเหนียวแน่นก็ก็เหลือทนมันมันอยู่ทน อันไหนที่มันไม่เหนียวแน่นมันก็หลุดล่อนออกไปก่อนแต่การที่เข้ามาให้ธรรมะได้กวาดล้างขัดเกาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแล้วก็เป็นตุปนิสัยสารพัดครับสารพัดเลยที่ติดตัวท่านเหล่านั้นได้สั่งสมมาแล้วก็การสร้างบา ร, รมีเนี่ยเราก็เห็นว่า บางคนเนี่ยเขาสร้างเกาะกลุ่มกันมาแน่นเลยใช่ไหนะหมายถึงทําบารมีร่วมกันมาที่เราเรียกว่าทําบุญร่วมกันการทำบุญร่วมกันที่เราพูดเนี่ยเราหมายถึงทําบุญร่วมกันเวลาไปประสบความสําเร็จในทางธรรมดาธรรมดาก็ประสบร่วมกันเรียกว่าทําบุญร่วมกันแต่ทําบารมีร่วมกันเนี่ยหมายถึงมุ่งที่จะไปบรรลุเป็นอริยะแล้วก็ตั้งเจตนาลงเหมือนอย่างพระ สารีบูตรกับโมกขลานะเพราะนั้นเวลามาเกิดชาติชาติสุดท้ายเนี่ยบางทีชีวิตมันคนละแบบกันแต่เพราะเ้าสร้างบารมีร่วมกันเขาจึงมาเกี่ยวข้องกับธรรมะร่วมกันอย่างลายที่เราเคยได้ยินแล้วก็เคยแปลกใจแล้วก็เดี๋ยวนี้หลายคนก็เข้าใจแล้วคือในพรานกกุฏตมิตรเป็นในพรานอาชีพเป็นในพราน ล่าเนื้อในป่าแล้วก็ได้ภรรยาเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เป็นได้แล้วมาเป็นที่หลังนะเป็นโสดาบันมาก่อนแล้วโสดาบันนั้นก็มาได้สามีไปนในปราณแล้วถ้าอยู่กันได้โสดาบันกันในปราณแล้วก็อยู่กันจนกระทั่งมีลูกมีเขยมีสะายข้างภรรยาที่เป็นโสดาบันก็ทําตัวสนิท เป็นโสดาบันไม่กระตกะตากนะไม่เคยไปขัดคอแม่อะไรแต่อะไรก็คงเข้าใจอะไรได้อยู่บ้างอนะกระทั่งพระกุตเจ้าไปดักหล่อพบในป่าแล้วก็ไปโปรดปลานกกุตมิตรทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ในที่สุดบรรลุเป็นปลาหลานรวมทั้งลูกลูกเขยลูกสะพายด้วยพระกุตเจ้าก็เล่าว่าท่านเหล่านี้ได้ทําความปรารถนาร่วมกัน ในระหว่างนั้นก็กรรมที่เป็นของเฉพาะตัวมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปต่างๆจนถึงชาติสุดท้ายก็แตกต่างกันแต่ในที่สุดก็ได้มารับรูเป็นอริยะ <c oughs> หมดทั้งครอบครัวดันั้นตรอบครัวนางวิสาขาก็เช่นเดียวกันพ่อแม่กระทั่งบริวารในครัวเรือน <c oughs> ก็ทำบุญร่วมกันมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากการบรรลุธรรม ร่วมกันในชาติสุดนี่เป็นเป็นบางส่วนนะที่ว่าให้ฟังที่เรียกว่าเป็นส่วนแตกต่างที่เกี่ยวข้องโดยบุปปาธิการที่สั่งสมเอาไว้แต่อดีตอ่านี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือพื้นเพเดิมก่อนเข้าสู่วิถีธรรมเราก็จะพบว่ากรรมพืชเดิมมันรวมทั้ง ภูมิลำเนาอะไรต่ายละเอียดอยู่ในนี้ด้วยของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยแล้วเป็นพันรูปเท่าที่มีประวัติอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีทั้งสูงสุดและต่ําสุดสูงสุดคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ถึงเวลานี้นะผมยังไม่ได้นับเป็นตัวเลขออกมานะแต่ว่าวันข้างหน้าจะนับเว่าใครบ้างเป็นพระเจ้าบผ่นดิน แล้วก็จะทําเป็นตารางออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแควนไหนนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเช่นท่านภุกุสาติก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองเมืองตกากติลาท่านมหากัรปินะก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินอินเดียนะก็มีกษัตริย์เยอะเมืองเล็กเมืองน้อยก็เยอะสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละครับทั่วโลกใใคล้ายๆกันอินเดียเนะ่ยเยอะมากอ่าพระเจ้าพิมพีสารเป็นโสดาบันก็เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ตกลงที่เป็นพระราชาีนอันหนึ่งแล้วก็คนที่อยู่ในสกุลกษัตริย์อีกพวกหนึ่งแล้วก็ลงมาจนกระทั่งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังมีพระหลานบางองค์ในอดีตจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำไปทำมาก็ได้มาบรรลุทำเป็นพระหลานออกบทในที่สุดนะฮะนี่เป็นเรียกว่าชนชา้นปกครอง แล้วก็พวกที่เป็นเศรษฐีมหาศาลล่ํารวยเป็นลูกของเศรษฐีล่ารวยเกามีเยอะครับและนี่มีเยอะมากเลยทีเดียวประวัติพระที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเออย่างนี้ท่านก็จะนึกออกได้่วงหน้าหลายองค์ทีเดียเช่นท่านรัฐบาเลเถระก็ลูกเศรษฐีใช่ไหมแล้ะบรรุเป็นบ้ารานพระภพะกุละในลูกเศรษฐีและไม่ใช่เศรษฐีสกูลเดียวด้วยนะ เขาก็รัแล้วว่าคนสองสกุลคือเป็นทายาทของสกุลพ่อแม่จริงแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงที่รับเป็นลูกเลี้ยงรักเหมือนลูกเลยได้มรดกสองสกุลแต่ท่านก็ไม่เอามรดกสักสกุลเดียวก็มาบวชมาบวชเพราะฉะนั้นพวกเศรษฐีอย่างนี้ยเยอะวิสาขาอุบาสกก็เศรษฐีร่ํารวย เศรษฐีทั้งสกุลก้าบุรีทั้งสกุลพรามแล้วก็มาบวชก็มีไม่บวชก็มีแล้วพวกเศรษฐีที่มาบวชเนี่ยไม่มีเยื่อใยกทรัพย์สินเลยถึงขนาดให้เอาเอาเอาไปทิ้งแมน่น้ําเลยพูดงไม่มีเยื่อใยเลยคือความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ต้องการนี่ก็เป็นพื้นฐานเดิมแต่ละคนแตกต่างกัน แล้วก็ที่ยากจนข้นแค้นเป็นพวกสูตรพวกจันทานหาที่สุขหัวนอนไม่ได้เป็นขอทานก็มีเป็นพวกห ล, ลอดเลือดประเนจรก็มีไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเที่ยวขอเขากินขอแล้วเขาไม่ให้ก็มีเที่ยวไปเก็บเศษอาหารกินตามกองอยากเยอะและเป็นบรรุเป็นในสูตรบรรุเป็นปลาอาหารเช่นปราติดสาเป็นต้นเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ เราก็เห็นว่าการได้ชาติกําเนิดเป็นอย่างไรในชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของชนกรรนนะชนกรรมนํามานะฮะชนกกรรมนํามาให้กรรมเนี่ยมันอาจจะพันผวนเปลี่ยนแปลไปเป็นต่างๆแต่บา ร, รมีอธิษฐานที่สร้างไว้เนี่ยมันไม่หลุดหายไปด้วยมันสามารถที่จะปะปนมากับชีวิตที่สําเร็จด้วยวิบากอย่างไรอย่างไรในชาติ สุดท้ายโดยไม่มีปัญหาแล้วก็โดยเพศเนี่ยพูดถึงเพศเดิมอันนี้ก็น่าศึกษาเพราะว่าอ่าเพศที่เราน่าศึกษาอย่างหนึ่งก็คือผมก็คิดว่าจะพยายามนับออกมาเป็นตัวเลขให้ได้แต่การจะนับเป็นตัวเลขได้จริงๆมันต้องนับหมดมันต้องอ่านประวัติหมดว่ามีพระอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผมบอกว่าผมยังยังไม่ได้นับว่ามีพระอยู่เท่าไหร่นะ พระอริยะในสมัยนรจการทั้งโยมทั้งมีชื่อมีอะไรเงี้ยยังไม่ได้นับก็ก็ตั้งใจจะนับแล้วก็จะแบ่งสิงว่าเป็นผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่จะได้รู้ว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครได้ประโยชน์จากความเป็นอริยะบุคคลมากกว่ากันนะผมพยายามจะให้ผู้ชายมากกว่าไปก่อนเอแล้ว ถามว่ามีพวกลักเพทไหมที่บรรลุพวกรักเพศที่บรรลุเนี่ยไม่ใช่บรรลุไม่ได้เป็นรักเพศตั้งกเกิดถ้าตั้งกเกิดแล้วบรรลุไม่ได้แต่มาเป็นที่หลังได้มีอยู่คนที่เราคุนชื่อท่านดีเพศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างกบผีเข้าผีเข้าวิออกเลยคือพระโสรอยักพระโสระยะกษเมื่อก่อนเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้ชายตอนหลังก็มาเป็นผู้หญิง แล้วก็เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเพศเป็นผู้ชายอีกถึงได้มาบวชมาบรรลุธรรมอะไรกันตอนนี้เคยได้ยินมั้ยไปทำอะไรไว้ก็ไปล่วงเกินในความรู้สึกชั้นชูสาวกับท่านกัจเจยนะเราสังกจายซึ่งตอนนั้นเป็นปลาลานแล้วกรรมแรงมากก็เลยทำให้เพศเปลี่ยนเลย เป็นจากผู้ชายสนิทเป็นผู้หญิงสนิทเลยนะแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไม่ลูกเปลี่ยนอีธานก็เลยต้องไปแต่งงานใหม่ก็ไม่มีลูกตอนเป็นผู้ชายก็มีลูกเป็นผู้หญิงก็มีลูกเสร็จแล้วพอบรปรลุเป็นปลาหลานแล้วบอกไม่รักสักลูกกงไม่รักลูกคนไนคือบอกไอ้คาว่าไม่รักเนี่ยหมายก็ว่าไม่ได้มีความเสน่หาวยความรู้สึกที่เป็นปุถุชนอีกแล้ว ที่ท่านคุยกับระหว่างพระกับละเนี่ยพูดอย่างนี้นะ่ะคนทางโลกก็จะทั้งข้อค้อรหอาหได้ว่าบรรลุธรรมแล้วทําให้ไม่รักลู ก, ลกอันนี้เป็นท่านหมายถึงรักด้วยความยุติธรอย่างธรรมดาโลกที่นี้เพศที่ที่น่าศึกษาใีกมุมก็คือเพศโดยการบวชจะเรียกเพศเหมือนกันอันนี้ก็น่านับ น, น่าจําจแนกว่าพวกไหนบวชเป็นนักบวชเหล่าไหนมาก่อน เราก็พบว่าคนที่มาบรรลุธรรมเนี่ยไอ้ที่ไม่ได้บวชนะมีก็มีเยอะอีกพวกหนึ่งก็พวกบวชบวชหมาถึงบวดเป็นละนะแล้วก็อบางคนเนี่ยก่อนจะมาบรรลุธรรมเป็นนักบวชนอกาศาสนาเช่นเป็นนักบวชชีเลยยกตัวอย่างเช่นอาเจรกะกสัะกเป็นนักบวชชีเลย เป็นคนนอกาศาสนาแล้วก็อทีฆานาคาที่เป็นหลานพระสารีบุตรก็เป็นคนนอกาศาสนาแล้วพระสารีบุตรเนี่ยเคยเป็นปริพาชกก็ไม่ถึงก็กเรียกว่าก็เหมือนเป็นนักบวชพวกหนึ่งอ่เป็นปริพาชกโมครานะคก็เหมือนกันก็เหมือนเป็นคนแสวงหาโมคตธรรมสงกร้ายเป็นเป็นบรรพชิตมา ก, ก่อนไม่ใช่อย่างนางวิสาขานี่ไม่เคยเลย หรือไม่ใช่อย่างอีกหลายหคนอย่างเช่นอนาถาบิดาสถิติก็ไม่ใช่นักบวชนะเพราะนั้นคนเหล่าเนี่ยเรามองย้อนกลับไปสวดดีษแล้วการสั่งสมเนี้ยชี้ชัดเลยบางคนเป็นลูกของนักบวชก็มีนะคือที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องถูกทําไมนะั่นก็ไม่ถือว่าถูกคืออย่างเช่นนางปลิภาชกคนหนึ่ง ออกตัวเป็นลูกของเจ้าผู้ครองเมืองแล้วก็ตอนหลังก็ออกบวชในสำนักปริพาโชคแต่ยังสาวแล้วก็เกิดไปได้เสียก็ปริพาโชคหนุ่มเข้าก็ทั้งมีลูกเป็นปริพาโชคตั้งแต่เด็กเลยคือพระสภพยะแล้วก็ตอนหลังพระสภิยะก็ได้มาพบธรรมะพบพระอริยส า, าวกแล้วก็ได้บวช เป็นพระในพระพุทธศาสนาในประวัติท่านก็เคยบวชเป็นดาบวเป็นอะไรแต่อดีตมาเพราะฉะนั้นคนที่รักการบวชเนี่ยเมื่อไหรเมื่อไรก็มีฮะแม้แต่สมัยนี้ชอบการบวชชอบบวชบวชอย่างเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเลยก็มีหรือบวชชั่วครั้งชั่วคราวก็มีพระมหากัะสปะก็เหมือนการบางคนก็บวชอุทิศล่วงหน้าแล้วก็ ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยอย่างชั้นมากระทาป่าเป็นต้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าที่ผมว่าเมื่อกี้ว่าบวชแบบเสวแหงหาอาจารย์ว่าใครที่เป็นพระสําเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีอยู่ก็ไปเจ้าขอบวชอุทิศแก่ผู้นั้นทั้งที่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่อยู่ที่ไหนแต่ตั้งเอาหลักตั้งไว้ก่อนก็บวชมาจึงได้มาพบพระพุทธเจ้าดีหลังแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าทีหลัง นี่เรียกว่าบวชอุทิศให้ให้อาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์อยู่ไหนปุ๋ยสุก็ได้มาเจอ น, นี่เป็นเป็นบุคคลตัวยอย่างอันหนึ่งนะที่ผมว่าอา่าอธิษฐานหาอาจารย์แผ่เมตตาหาอาจารย์ทําบุญอุทิศให้อาจารย์เนี้ยถ้าเป็นอาจารย์เราจริงเราก็ได้เจอถึงไม่ได้เจอเราทําเป็นหลับว่อย่างนั้นก่อนไปฟังๆก็ เป็นการรักษาตัวเราเองให้อยู่ในแนวทางอย่างความถูกต้องก็มีมีเยอะแหละนะฮะนี่ก็ยกตัวอย่างบางองค์ที่นี้มาพูดถึงวัยวัยคนที่เข้ามาบรรลุธรรมเนี่ยก็มีหลายหลากมากวัยลล้อย่างวัยปฐมวัยเด็กสดเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยพูดกันว่าเจ็ดขวบเจ็ดขวบก็นึกถึงนางวิสาขาว่านางวิสาขาในบรรลุโสดาบันเมื่ออายุเจ็ดขวบ ใช่ไหมฮะเราก็นึกว่าต่ำกว่าเจ็ดขวบไม่ได้แต่ว่าในประวัติพระจริงๆเนี่ยเกิดมีอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบถึงสี่ขวบสี่ขวบฮะห้าขวบหกขวบที่มีอันนี้จะเอาประวัติรายละเอียดมาว่าให้ฟังที่หลังนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่เรียกว่าถึงธรรมะเร็วมาเกิดมาเกือบจะเรียกว่าไม่ทันจะได้สนุกสนานในทางโลก หรือพูดอีกทีว่ายังไม่ทันจะทิ้งกวดนมเลยมันรุปราหลานแล้วอดีไม่ดีตามแม่ไปกินสมัยก่อนเนะี่ยเขาเขาอดนมกันโตแล้วไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนนะอดนมกันโตแหละหลายหลายคนเนี่ยบางทีห้าขวบหกขวบไม่เอาบดนมเลยรุ่นเก่าๆนะนี่พูดถึงมองมองดูเนี่ยที่ท่านพอเป็นคนรุ่นก่อนๆนานหน่อยอ่ดีไม่ดีผมว่า ตามแม่คือในสมัยนั้นมีอ่ะแม่อุ้มลูกไปฟังธรรมะจะให้กินนมหรือเปล่าบางคนไม่ได้พรารนาแล้วก็เลยได้บรรลุธรรมกัทั้งแม่ทั้งลูกนีเหมือนบรรลุกาการกวนนมพูดอย่างสมัยนี้เป็นรอาหารหันต์จากเด็กเป็นอาหารหันต์ไปเลยอ่ะก็พอเป็นอาหารหันต์แล้วนี่แม่แม่คงสรักไม่ลงนะคงจะไปอุ้มมาโยนขึ้นโยนลง หรือไปย่วเยากะเท้าเล่นที่อย่างเด็กธรรมดาคงทําไม่ลงแหละไอ้พวกนี้ก็ก็มีบุญพิเศษมีอธิษฐานพิเศษอ่ะคือเรื่องบรรลุเร็วบรรลุช้าในกรณีอย่างเนี้ยใครจะดีกว่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแยกแงะแยกแง่เปรียบเทียบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นอัครสาวกแต่ไม่ได้บรรลุเร็วพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระ รูปเจ้าเร็วนะจะได้เผยแผ่ธรรมะนานกว่านี้น่าจะเป็นพระเจ้าตั้งอายุเจ็ขวบเราก็ไม่เคยเจอว่าพระรูปเจ้าองค์ไหนเป็นรูปเจ้าเมื่ออายุเจ็ขวบไม่ไม่เคยมีก็ชีวิตส่วนเบื้องต้นของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องอยู่เสวยวิบากกุศลวิบากทางโลกโลกเสียส่วนหนึ่งก่อนมีอะไรธรรมดาอย่างเป็นพื้นฐานทั่วไปแล้วจึงมาบวช ในภายหลังแต่ถ้าเป็นสาวกแล้วก็มีการหลายหลากมากประการอย่างนี้ได้ทีนี้บวชเมื่อแก่พูดถึงบวชเมื่อแก่เมื่อนมเนีเยอะครับอายุสิบหกสิบเจ็ดนี่เยอะมากบางทีก็หนุ่มเป็นคณะเลยอย่างเช่นมานสิบหกคนลูกศิษย์ของพระอามบาวลีหมาอ่พระพุพทธเจ้าบรรลุเป็นพราหลานหมดเลยเที่บวชเมื่อแก่นึกได้ไหมครับว่ามีใครบางบวชเมื่อแก่ และทำไมถึงบวชเช่นพระราธะบวชเมื่อแก่แล้วพอออกบวชแล้วพระสุราธะซึ่งเป็นน้องก็แก่เหมือนกันแ่ะครับเห็นพี่บวชบวชตามบังพระราธะบวชเมื่อแก่เนี่ยเพราะว่าในนั้นประวัติท่านราวาพอแก่เขาลูกเมียดูถูก ไม่รู้สงสัยภรรยายังไม่แก่มากก็ไม่รู้นะพอดูถูกเขาก็น้อยใจว่าเอเราเนี่ยอยู่ไปก็ลูกเมียดูถูกจะอยู่คลองเรือไปทำไมรเราไปบวชดีกว่าก็ไปหาบวชก็บังเอิญไปเข้าวัดพุทธค่ะวัดพระพุทธเจ้าไปขอบวชพระเจ้าให้พระสารีบุตรบวชให้ในประวัติที่เรารู้นะ แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์โดยรวดเร็วไม่ช้านานนอีกคนหนึ่งอชื่อว่านางพระภูปุติกาเคยเอ่ยถึงนางบางแล้วอายุแก่แก่ชรา ม, มากมีลูกเยอะถึงเรียกว่านางพระภูปุติกาลูกเป็นโหลโอะสมัยก่อนนานไม่แปลกมากแต่ก็ขนาดคนเก่าๆลูกเป็นโหรนางยังมากกว่าธรรมดาก็ปิด ใช้ เ, เรียกว่านางพระโอปุติกาแต่นางก็มีชะตากรรม้เรื่องลูกแล้วเกินลูกเยอะแต่ลูกพึ่งไม่ได้สักคนเดียวไปขออาศัยอยู่กับใครลูกไม่เอาสักคนลูกสาวก็ไม่เอาลูกเกยก็ไม่เอาลูกชายก็ไม่เอาลูกสบายก็ไม่เอาก็เลยคิดว่าไปบวชจะดีกว่าก็เลยเข้าวัดบวช บวชแล้วก็ได้มบำเพ็ญความเพียรได้บรรลุเป็นพระอรันไปในที่สุดสิแล้วอกหักบวชมีไหมกามีอกหักผิดหวังโคมันตายก็มีเหมือนกัน <c oughs> ออนี่พูดถึงเรื่อง <c oughs> เรื่องไหวการนี้พูดถึงเรื่องไอ้บางเรื่องอาชีพในพูดถึงอาชีพ เชื่อไหมครับว่าอาชีพเดิมของพระอาหารหันต์เนี่ยพระอาริยะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอาชีพหลายหลากเหลือเกินบางคนมีอาชีพเป็นเพชฌฆาตไม่น่าบรรลเุเป็นเป็นพระาริยะได้นะฆ่าแล้วก็ไม่ใช่เพชฌฆาตเล็กน้อยเพชฌฆาตฆ่าคนมาเป็นรื้นร้อยอกรรเนีย อ, องริมานเน่ยนั่นน่ะฆ่าผิดกฎหมายด้วย ตำพระทาธิเป็นเพชฌฆาตโดยตําแหน่งฆ่าคนชั่วถูกกฎหมายแต่ฟังธรรมจากท่านพระสารีบุตรแล้วบรรลุเป็นพระอริยะได้นี่นี่เป็นเรื่องของบารมีเก่าทําไว้ก่อนไอ้กรรมชาตินี้มันไม่มันเพิ่งทำอ่ะให้ผลไม่ทันก็ให้ผลได้บางเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่าคนที่ฆ่าแล้วเป็น กำปิดกั้นมักผลเหมือนอย่างข่าพ่อข่าแม่อนั่นก็เป็นเป็นอาชีพหนึ่งแล้วก็ถามว่าโจรเนี่ยพูดแล้วก็นากรเหมันก็วัดเป็นซ่องโจรสมัยก่อนโจร น, นี่มาบวชมาเป็นพลลระรหันต์กันไม่ใช่น้อยครับลําพังแค่โจรที่มาบวชเพราะสังกิจจาสามเณร น, นั่นก็ตั้งห้าร้อยเข้าไปแล้วเห็นไมล่ะ แล้วก็มีโจรคนหนึ่งนี่พระโมคคารานะน่ะนะไม่ใช่พระโมคคารนะพระท่านหมากศปะเรียกว่าไปชิงนักโทษประหารจากตาแหลงแกงอยูน่นะแต่ว่าท่านไม่ได้ชิงแบบที่เราพูดเราพูดเป็นภาษาในเชิงนา ม, มารมแล้วก็เหมือนจริงคือโจรคนนั้นนะ่ะอดีตเป็นลูกศิษย์ของพระหมากศัปะ ในขนาดเป็นลูกศิษย์ของหม า, หากรสป่านะยังเผลอศึกศึกแล้วไปเป็นโจรปล้นเขาไอ้สมัยนี้เราก็ว่าไม่แปลกแล้วเคยบวชเป็นพระศึกไปแล้วก็มาปล้นวัดที่มันเคยบวชก็มีมาขโมยของวัดที่มันเคยบวชก็มีก็ไม่แปลกเราก็ว่าพระหลุดเราแล้วอาจจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างสมัยนั้นแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านหม า, หากรสป่เนี่ยท่านก็เป็นปลาหลานมียพิณิหารมา แต่ว่าลูกศิษย์ของท่านมาบวชอยู่กับท่านและท่านอบรมยังไงให้ศึกไปนะไม่ว่าแต่ศึกไปแล้วไปเป็นโจรเนี่ยเสียชื่อตั้งขนาดไหนก็ไปปล้นจนกระทั่งเขาจับได้นำไปสู่ตะแลงแกงจกักราพระมาหากษัะจึงไปโปรดเอาตอนนั้นและบรรลุเป็นพระหลานในที่ตะแลงแกงนะนี่ก็เป็นเป็นประวัติแปลกนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นโจรแล้วก็ที่บรรลุธรรมก็ประหลาดเส้นเหลือเกินล่ะบรรลุธรรมที่ตะแหลงแกงแล้วถามว่าอาชีพโสเพณีมีไหมโสเพณีเป็นอริยะบุคคลมีไหมมีเช่นใครนางสิลิมาเป็นโสเพณีนางอัมพบาลี ที่ถวายสวนมะม่วงแก่พระพุทธเจ้าเป็นโสเภณีและบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไอ้คนเราเนี่ยถึงว่าดูถูกกันไม่ได้เป็นโจรหรือเป็นอะไรที่ดูชั้นนอกว่าชั่วชาสามานย่างนั้นอย่างนี้แต่ ลึกๆเข้าไปข้างในกลับมีบารมีเวลาประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จสูงมากที่เป็นหมอแล้วก็นึกได้อยู่คนเนยหมอชีวโกโกมาลรพัดหมอชีวกนี่เป็นพระโสดาบันนี่เป็นเรื่องอาชีพ